รายได้เสริมสัปดาห์ละ 1,000 10, 0บาทไตร1ชุดมี4ขวดมี105คะแนนขายปลีกกาไรไปแล้ว 1,347 บาท105คะแนนบริษัทจ่ายค่าคอมมิชั่นให้ 25% 105คูณ37บาทคูณ 25% เท่ากับ971บาท25สตัรวมเป็นเงินกําไรชุดละ 2,319 บาทถ้าใน1สัปปดาห์ขายได้5ชุดคุณจะมีรายได้ สัปดาห์ละ 11,595 บาทหรือตกเดือนละ 46,380 บาท